มันเรามันเป็นของทิพย์คือใจเป็นของทิพย์จะทําดีคอยใจเป็นผู้ทํำจะทําชั่วคอยใจเป็นผู้ทําแต่ผลรับมันก็รับต่างกันเขามีอิสระอยู่เขาอยากทำขั้วดีกขบไมกก่ออยมไพยายมากีดขวางเขาอยากทำขั้วชั่วเขาไม่ไยายามเกีดขวางแต่ผลรับทางต่างกัน ผลลัพธ์ของความส่วนมากีดขวงความดีเนี่ยไม่มีแน่มารคกิจขวงหรอกคั้นทิ่ทําดีกับนี่ผู้มารกีดขวงท่านบอบอแมนกีดขวงอะไรกับพรยูหรอกคราวนี้ผู้กีดขวงอยูพอ่พระพุทธเจ้าของว่ได้มาสอนเน่าคือกันกีดขวงอะไรแตงว่าเดือเป็นพระพุทธเจ้าอนะ่ะพระเทพประทาไปกีดขวงกับพระยู รัฐีอื่นๆไปจีดขวงพระองค์เก่ากบโมยูจิตขวงควมดีของคนเนี่ยมันโมยูจิตขวงควมสัวแต่ไม่จังอยู่เลยไหนจะไปดีท่อพระพุทธเจ้าเนี่ยไต่โลกระฐานไหนจะไปร่องทุนแห้งวันทอพระพุทธเจ้าห้องรงทุนก็นได้กีดขวงว่าไรขจีขวางในอังสันพนันธ์ในพานก็เป็นของเปล่าหรอก็ม่จะคนสัวมัดอยู่ในโลกนี้ เป็นยังโลกมันยังตั้งยู่ได้เพราะมันมีคนดีผอยูอ๋อใช่มันยังพ่อเป็นไปได้แต่มีใจคนชั่วมันก็ตั้งอยู่ังได้เนี่ยมันมีของดีผลยู่ทุกยุทุกสมัยของโลกถ้าจะไปหาคนดีใส่ท่านข้าวหานําคําสอนพระพุทธเจ้าเพื่อไหนสิมาสอนเก่งก็พระพุทธเจ้าห้าวอยู่ี่ ใครจะมาสอนเก่งกว่าพระสมมาพระพุทธเจ้าไมาเนี่ยเราจะไปหาของดีที่ไหนเฮ้จะมาประเสริฐระล่ำกัพระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยประเสริฐระล่ำก็ทคำคําสอนของพระพุทธเจ้ามันร้ม่หรอกไปเห็นหนังสือในหนังสือเขาเบียดเบียนพระพุทธลูกเขาเอาแว่นตาดําไปใส่ใเพื่อนตัดเสื่อไปใส่ใเพื่อน เขาเเฮ็ดส่เขาหะไะผลของกรรมที่ไปไสเขาทนเราไล่ขึ้นฟ้าเองกับพระพนธ์ใช่ไหมตกเสนาห้องของมันอยกไกนาเข า, าขก็ทนเราไล่ห้องบริโยกไกเขาเขาทงกับตกเสนาเขาฮะมันเลยไปไซกับว่าต้องเครียดห้องเครียดไปใครเขาก็สู้เขากระไรแล้วห้องบรหวังอยากเป็นเว็เป็นไพ่กับเขานี้ พายากไใใก่ไหก่ข้าวเห็ดเอาละบ่ผลของกรรมไมีอยู่เป็นศาลไต่สวนไม่ศาลตัดสินมีอยู่นะฟังฟังไม่รู้เรื่องเออผลของกรรมมีอยู่กรรมและผลของกรรมเป็นเครื่องตัดสิน ในทางพระพุทธศาสนาตำรับผพของกรรมมันมาหาทางพระพุทธศาสนาแล้วพระพุทธศาสนาบัญญัติกรรมและผลของกรรมถูกนอกนั่นบัญญัติไม่ถูกสิ่งที่เป็นชั่วบัญญัติว่าดีก็มีสิ่งที่บัญดีบัญญัติว่าชั่วก็มีแต่ผลลายนับมันก็แสดงให้เห็นอยู่ม่นไม่ผิดบงังเมื่อเหตุไม่ผิดบงังผลมันก็ไม่ผิดบงัง เราจะทําเหตุอันไรขึ้นแม่ผู้อื่นไม่รู้ก็ตามเราก็รู้จักเราอยู่ผลเนีรับยังไงเราก็รู้จักของเราอยู่แม่ผู้อื่นจะไม่รู้จักก็ตามนัดทีโลเก้นะหัวนามาความรับไม่มีในโลกทำส่วนนี้ไม่รบเรือนไปทางไหนมีจริงอยู่ทุกยุคทุ ก, ทกสมัยของโลกใครจะบัญญัติถูกหรือไม่บัญญัติถูกก็ไม่เป็นปัญหาผลของกรรมก็แสงมาให้เลย เอจะตัดสินถูกหรือไม่ตัดสินถูกก็ตามผลของกรรมก็แซงมาตามตรงไปตรงมาไม่ลำเอียงเขาก็บพรรคพวกผลของกรรมไม่ลำเอียงเข้ากับชั้นวรณนะ์ตะกูลหไหนๆก็ตามตะกูลต่ำํำตะกูลสูงคนจนคนรวยคนแก่คนหนุ่มผลของกรรมไม่ลำเอียง ทำยังไงได้อย่างนั้นนกหนูปูปีกมันไม่รู้จักภาษาไม่รู้จกักว่าบุญคนโทษเมื่อมันทําถูกไปทางบาปมันก็เป็นบาปเมื่อมันทําถูกไปทางบุญมันก็เป็นบุญเช่นนกเข้ามันเห็นพ ร, รม า, ษ า, ษามาศาสตร์ศาสนามาวินทบาทมันก็พื้ปีกกราบไหว้มันก็จะได้เป็นพระพระเจกองค์หนึ่งในอนาคต น, นกเข้าแต่นกเข้ายังรู้จักกราบไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราเป็นมนุษย์ ต้องให้เน okay. ื Alpha, psycho, ้อเราเข้าไปอีกเพราะพุทธธรรมสงอยู่ที่ดวงใจของเราไม่ได้อยู่ในที่อื่นถ้าว่าพุทธธรรมสงอยู่ที่อื่นเราก็คงเสียเปรียบเรากราบไหว้เมื่อเรากลาวไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็อยู่ที่ดวงใจของเราเมื่อเรากล่าวไหว้ผีผีก็อยู่ที่ดวงใจของเรานั่นเพราะผีเข้าไปสิงเราเราจึงนึกกราบไหว้ เราเลื่อมงกุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจึงกราบไหว้พราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่จัดเป็นผีสิงบุญสิงทำกราพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ลงมาเรียกว่าผีสิงสิงจิตสิงใจให้เริ่มใสนับถือใครมาบอกก็ไม่ฟังพวกเราเป็นนกเป็นปลาก็าเป็นนกเป็นปลาที่ฉลาด อย่าไปติดเบ็ดติดแล้วของนายพานที่โปรยเราไว้รัติที่อื่นก็มีด่านอื่นทมเถรไม่ต้องเอามาพลเปกรับพระพุทธศาสนาเลยโลพุตระศาสนาคือพระพุทธศาสนา ทำคนนั้นลงมาเป็นโลกีศาสนาเพีงเพงเลยละ่ะไม่ละอายใครละ่ะใครจะโกรธก็ตามมนุษย์สมบัติก็เต็มภูมิสอนสวรรค์สมบัติก็เต็มภูมิพรหมสมบัติก็เต็มภูมินิพพานสมบัติก็เต็มภูมิเราจะลงมือทําหรือไม่เท่านั้นไม่ต้องสงสัย ทำน้อยก็เป็นของน้อยก็น้อยกับเราทำมา ก, ก็เป็นของมากเราจะสงสัยไหมถ้าเราไม่สงสัยให้มันก็ไม่สายมันก็ไม่บ่าย ม, มันก็ไม่ค่ําสายก็แปลว่าแก่แล้วบ่ายก็แปลว่าแก่มากอีกค่ําแปลว่าตายทิ้งสิ่งอื่นๆมันสูงขึ้นไม่เป็นปัญหา มันต่ำลงก็ไม่เป็นปัญหาจิตใจที่สืวงขึ้นในธรรมะเป็นของส่งมวลจิตใจให้ต่ำลงมาหนีจากธรรมะของพระธรรมพุทธ เ, เป็นของสำคัญมากให้ผลเป็นทุกข์จิตใจสูงขึ้นในธรรมะของพุทธศาสนาพร้อมกับความประพฤติให้ผลเป็นสุขจนถึงพระนิพพาน อเสวนาจะพาลานะั่าคบผ่านชาติชาเป็นมิตรคนนกคบบัณทิตบันทิตขั้นที่หนึ่งก็คือพระธมสัมมาสัพพะตะเจ้าถ้าเทียบเป็นบุคลาธิฐานบันทิตใดในในใโลกธาตุจะเหนือพระสรรมสมรพัพพะตะเจ้าทุกๆุกประองไปเป็นไม่มีเลยเข่งทีเดียวลวะโด่งดังอยู่ในโลกเลย ไม่เงียบเลยคําสอนแต่และวรรบาตโด่งดังเหนือเขาอยู่คําสอนพระพุทธศาสนานะค่าค่าครับว่าประกาศกลางวันอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนจตุสัจจะ ด, ดังดังอ น, นิยัติสัตว์สี่ประกาศอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเหมือนเขาตีกลองเกิดแก่เก็บตายข้อประกาศอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนไม่พิดบังเลย เรา น, นึกยังไงเราก็รู้อยู่เรียกว่าประกาศอยู่ไม่มีกลางวันกานงคืนเรานึกไปทางดีจิตใจของเราก็เป็นที่สบายเรานึกไปทางชั่วส่งเสริมจิตใจของตัวไม่ทำชั่วจิตใจของเราก็ไม่เป็นที่สบายน่มันเห็นอยู่แล้วผู้นั่นก็ว่าอย่างนั่นให้กูผู้นี้ก็ว่าอย่างนี้ให้กูเชื่อบทเอื้องดูสิทำอะไรไม่เป็นทุกข์ตาย นนคนจะมีมากสักเพียงไหนก็ตามา ก, ก็มีเหตุผลอยู่สองประการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่ละท่านแต่ละท่า น, ต า, นตามเหตุผลของของตนของตนเท่านั้นทนี่เทียบมาในทางท่าเ ท, ทีีบมีมโนท่าเสมอกันหมด ส่วนจะไปทางเดีทางชั่วเน่มันเป็นเรื่องแต่ละท่านแต่ละคนมีกายะธาตุคือธาตุสีในน้ำไฟลมก็เรียกว่าธาตุคำาพีธาตุจักหูธาตุคือตาโสตะธาตุคือหูคานธาตุคือจมูก ชีวห า, าธาตุคือลิ้นกายธาตุคือกายมโนธาตุคือใจนี่นี่พาดภายนอกลูกประาธาเป็นคู่กับจักรคู่าธาตุสัมผัสกันจักรคู่ธาตุรูปธาตุ จักขูวิญญาณธาตุเกิดความรู้ขึ้นเขาเรียกว่าจักขู่วิญญาณก็เป็นธาตุวิญญาณธาตุคาว่าธาตุก็ธาตุมดตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นธาตุมดรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะธรรมารมเป็นธาตุมดคำเภีธาตุตลอดทั้งบาปบุญก็เป็นคำเภียธาตุกุศลธาตุเรียกว่าบุญอกุศลธาตุเรียกว่าบาปมโนธาตุ มโนธาตุเป็นคำกลางปุญญาธาตุถ้ามโนธาตุไปทางบนก็เป็นปุญญมโนธาตุนานาธาตุยาดังพระบรมศาสตร์ารู้ธาตุต่างๆที่เนยธาตุเป็นธรรมอื่ ทำเพื่อทก็ต้องทํำมดกุศลธรรมอกุศลธรรมกุศลธรรมคือบุญอกุศลธรรมคือบาปธรรมที่เป็นกลางๆ ก, งก็ไม่ไปทางบาปทางบุญเรียกอพยากิจธรรมธคํนะาทั้งหลายย่นลงมาเป็นสองโลกิยธรรมทําเป็นวิสัยแห่งโลก รกุตระธรรมทำพ้นวิสัยแห่งโลกรลกุตรธาตุธาตุพ้นวิสัยแห่งโลกรลกุตระอินทรีย์อินทรีย์แปลเป็นใหญ่พ้นแห่งโลกมีความหมายเดียวกันคำว่าขันก็แบ่งออกเป็นสองรูปขันคือ ดินน้ำไฟลมมาชุมกันเป็นกายเรียกว่ารูปรูปขันคือเวทนาสัญญาสังขารเวนีนญาคือความสวยอารมณ์ซบทุกข์อุเบกขาความจำได้ไ้ยรูปความปรุงแต่งแห่งกิจความรู้ในทางตางของมจมูกเรียนกายสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็แปรปรว น, นแตกสลายเลยไม่มีอันไดตั้งอยู่ได้ ในทางไตโลกระชาเกิดขึ้นหาระหว่างไม่ได้แปรปวนหาระหว่างไม่ได้ดับไปหาระหว่างไม่ได้ไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้รู้และไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้ไม่รู้เป็นจริงอยู่ไม่มีการวันกลางคืนเธอทั้งหลายจงรู้ตามเป็นจริงเถิด ว่า เ, เธอทั้งหลายรู้ตามเป็นจริงแล้วก็เป็นเรื่องที่เธอทั้งหลายปฏิบัติตามเป็นจริงอยู่ในตัวก็เป็นเรื่องที่เธอทั้งหลายจากสิ้นความสงสัยตามเป็นจริงอยู่ในตัวพระบรมศาสดาสอนธรรมะชั้นสูงเมื่อจิตสูงสมาธิก็สูงปัญญาก็สูงเมื่อจิตต่ำสมาธิก็ต่ำปัญญาก็ต่ำ เมื่อจิตโง่สมาธิก็โง่ปัญญาก็โง่เมื่อจิตไปทางโลกีความประพฤติก็ไปทางโลกีเป็นส่วนมากเป็นเจ้าหัวใจเมื่อเจตนาไปทางโลกุตระจิตไปทางโลกุตระความประพฤติก็ไปทางโลกุตระนะโมคําเดียวมีความหมายต่างกันนะโมโลกีเป็นนะโม ที่หวังวัตถุนิยมเป็นเจ้าหัวใจนโมโลกุตตะเป็นนโมหวังเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏสงสารนโมแปลว่าขอนอบนอบ้อมขอกล่าวไหวเรียกว่านโมธรรมเทศนาแต่ละท่านละท่านมันเทศอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนถึงเรานอนหลับมันก็เทศอยู่ เพราะความแก่มันไม่ลงธรรมะเรานอนหลับมันก็แก่อยู่เพราะความเก็บก็ไม่ลงธรร ม, มานอนหลับมันก็เก็บอยู่พลิกนั่นพลิกนี่เวลาเรานอนหลับความตายก็เทศอยู่เพราะตายจากเช่าสายบ่ายเที่ยงตายจากวันเวลาจากปินาทีจิตใจตายจากศีลจากธรรมเป็นของสําคัญ ส่วนร่างกายเป็นเรื่องหนึ่งกรรมฐานใดๆในใจโลกธาตุมันเป็นเมืองขึ้นของกรรมฐานใจหมดพุทธโธ ถ, ถ้าคนไม่มีใจก็ภาวานาไม่ได้เพราะเอาใจภาว่าธรรมโสังโฆก็เหมือนกัน พิจาากรรมฐานอันไหนก็าตามก็มีใจเป็นหัวหน้าถ้าไม่มีใจก็ภาวนาไม่เป็นก็เป mm hmm. ็นหัวหน้ า, ท, านทํำกุศลผลบุญไม่เป็นอีกถ้าทําไม่สีทําไมภาวนาไม่ก็าตามก็มีใจเป็นหัวหน้าทุกอย่างพูดไปไหนมันก็ไม่ไปเพราะเวลาพูดก็เอาใจพูดเวลาฟังก็เอาใจฟังเวลาปฏิบัติก็เอาใจปฏิบัติเวลาสิ้นความสงสัยก็ใจเป็นผู้สิ้นความสงสัย ผู ality, ้เขียนก็ใจเป็นผู้เขียนคนตายเขียนไม่ได้ผู้เรียนก็ใจเป็นผู so ้เรียนคนตายเรียนไม่ได้ผู้พูดก็ใจเป็นผู้พูดคนตายพูดไม่ได้ผู้ฟังก็ใจเป็นผู้ฟังคนตายฟังไม่ได้ผู้เข้าใจก็ใจเป็นผู้เข้าใจตาหูจมูกเล่นเข้าใจแทนไม่ได้ตกลงเป็นหน้าที่ของไกลหมด พูดไปไหนมันก็ไม่ไปเพราะใจพาพูดฟังไปไหนมันก็ไม่ไปเพราะใจเป็นผู้พาฟังมันก็โค้งมาหาใจทั้งนั้นก็มาหาผู้เทศมาหาผู้ฟังเท่านั้นเทศไปไหนมันก็ไม่ไปก็มาหาผู้เทศผู้ฟังผู้เทศดีขนาดไหนก็ดีขนาดผู้เทศไม่ดีขนาดผู้อื่น ผู้ฟังขนาดดีขนาดไหนก็นาขนาดดีขนาดผู้ฟังไม่ดีเท่าขนาดอื่นแต่ละคนละคนดีขนาดไหนก็ดีแต่ขนาดละคนละคนนั่นเองชั่วขนาดไหนก็ชั่วแต่ขนาดละคนละคนนั่นเองของใครของมันนโลกคืออะไรคือความขัดข้อง ทำไมโลกจึงไม่เป็นที่สบายเพราะมีแต่สิ่งที่ขัดข้องเพราะมันไม่สมประสงค์ของกิเลสสิ่งไหนที่ไม่สมประสงค์ของกิเลสสิ่งนั้นก็ขัดข้องเหตุฉะนั้นพระอริยเจ้าท่านจริงที่เกียวกิเลสซะ ความอยากได้อยากเสียในวัดตาสองศาลของท่านไม่มีท่านก็เลยลาไปสะก็มีแต่พวกเราขี้โง่ยังท่องเที่ยวในวัดตาสองศาลอย่างนี้ยังแก้ปัญหาความหลงของตนไม่ตกก็จาเป็นต้องเป็นธาตุของความหลงของตนอยู่เสียก่อนถ้าแก้ปัญหาความหลงของตนวัดแล้วก็ไปเหมือนองค์ท่านนั่นเอง การงานของมนุษย์โลกเทวโลกพมโลกคือการงานแก้กความหลงของตนเมื่อตนยังไม่ถึงพระหันดูตาบได้การแก้กความหลงของตนก็ต้องมีอยู่ตามนั้นเมื่อพ้อนจากความทุกข์แล้วการแก้กความหลงของตนก็ไม่มีก็จบจิตกันเพราะมันไม่ไ ม, ไม่ไม่มีหลงแล้วจะแก้กยังไงอีก ความหลงเป็นแม่ทัพของกิเลสหลงอะไรหลงตาหลงหูหลงจมูกหลงลิ้นหลงกายหลงใจหลงตาว่าเป็นตัวตนหลงรูปว่าเป็นตัวตนหลงหูว่าเป็นตัวตนหลงเสียงว่าเป็นตัวตน หลงจมูกว่าเป็นตัวตนหลงกลิ่นว่าเป็นตัวตนหลงรส่าเป็นตัวตนหลงลิ้นว่าเป็นตัวตนหลงกายว่าเป็นตัวตนหลงโผฏฐะที่มากระทบกายว่าเป็นตัวตนหลงใจว่าเป็นตัวตนหลงธรรมารมณ์ว่าเป็นตัวตนใจก็เป็นสักว่าใจไม่ใช่สัตว บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงกิตตานุปัฏนาเท่านั้นกายก็เป็นริสสักว่ากายไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงกายานุปัฏนาเท่านั้นเวทนาก็เป็นนิสสักว่าเวทนาเวทนาสุขก็ดีทุกข์ก็ดีไม่สุขไม่ทุกข์คือโอบเบคข้าก็ดีเกิดขึ้นแล้วก็แปรปวนไป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 ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงธรร ม, มานุพัสสนาเท่านั้นนี่ทําเบื้องสูงเมื่อทําเบื้องสูงก็่าศีลก็เป็นเบื้องสูงด้วยกันสมาธิก็เป็นเบื้องสูงด้วยกันปัญญาก็เป็นเบื้องสูงด้วยกันนี่ทําเบื้องสูงของพระพุทธศาสนาเนี่ยที่จะหันตัวหายจะหมุนตัวมาถอนอุ ป, ปาทานทําชั้นสูง สิสุสมเนทั bem, fall, point, point, point, point, ้งหลายเธอจงเป็นผู้รู้จักตาตาไม่ใช่ตัวตนหูไม่ใช่ตัวตนจมูกไม่ใช่ตัวตนลิ้นไม่ใช่ตัวตนตาตาไม่ใช่ตัวตนใจไม่ใช่ตัวตนอดีตไม่ใช่ตัวตนอนาคตไม่ใช่ตัวตนปัจจุบันไม่ใช่ตัวตนหมวดอนัตตาดินน้ำไฟเราไม่ใช่ตัวตนเป็นแต่สักว่าดินผู้รู้ไม่ใช่ตัวตนเป็นแต่สักว่ารู้ เมื่อเธอทั้งหลายปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างในตัวแล้วรู้ท้อทันความจริงแล้วกิเลสของพวกเธอก็จะไม่แสดงปาฏิหาริย์ที่กิเลตของพวกเธอแสดงปาฏิหาริย์คราวใดก็เพราะเธอทั้งหลายไม่ได้นึกถึงเรื่องนี้ถ้าเธอทั้งหลายนึกถึงเรื่องนี้แล้ว สิงทั้งหลายไม่ใช่ต่อตอนเราเขาสัตว์บุคคลหรอกโดยขึ้นเนี่ยก็แปรปวนแต่สลายเท่านั้นเมื่อเธอทั้งหลายเรีนลึกถึงสิ่งเหล่านี้แล้วความโลภความโกรธความหลงของพวกเธอทั้งหลายก็จะบันเทาไปผู้มีปัญญากล้าควเหงาแท้งหายไปเวรภัยของพวกเธอทั้งหลายก็ไม่มีอพระบรมสาราตัดกิเลสต้นลมกานพูดอย่างนั้น นี่คือมหาศีลนี่คือมหาสมาธินี่คือมหาปัญญานี่คือยอดความเห็นสำมาทิเตความเห็นชอบเห็นชอบในขั้นสูง ว่าความเลื่อมใสของเราเต็มภูมิกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วการสงสัยในคำ ส, สอนขององค์ท่านมันก็ไม่มีมีแต่ตั้งหน้าปฏิบัติตามสถียรกำลังเท่านั้นทำไมททำทำไมไม่ใช่ของตัวตนเราเขาสัตว์บุคคลสร้างทำไมทำทำไม ทำเพื่อบรรเทากองทุกข์เพื่อแลกปฏิบัติพระนิพพานไม่ได้ทําด้วยเพื่อจะเป็นเปรตมาเฝ้าอยู่ในวัฏฏะสงสารนี่ปัจใจสี่กีวายมินทะบาทเชนะถนะและเศสัตวชน่์เอาไว้ทําไมทำไมใช่ของคนนั้นคนนี้อาศัยเพื่อปฏิบัติพ้นทุกข์ไม่ใช่จะอาศัยจนเป็นเปรตอยู่ในวัฏฏะสงสารนี่ ที่พึ่งมีอยู่ไม่พึ่งคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ใดไม่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อุปมาเหมือนผู้นั้นอยู่กลางทะเลไม่มีเกาะที่จะพักหรือเรือจมไม่มีที่เหนี่ยวเดินทางไกลไม่มีสเบียง ฝนตกมาไม่มีที่กั้นฝนหนาวมาไม่มีผ้าหม่มอุปมาคนไม่ถึงว่าพุทธภาษามสงคนเปลือยกายจะนุ่งเครื่องดีสักเพียงไหนก็าตามเข้ามาในวัดหรือไปในที่อื่นก็เท่ากับเปลือย์กายไปคนไม่ถึงว่าพุทธภาษรมสง์เปลือย์ท่านใจด้วย ไม่มีสถานีถ้าเป็นถังก็เป็นถังกลรั่วถ้าเป็นไหยก็เป็นไหายนกนแตกถ้าเป็นครุก็เป็นครุกก้นรั่วเทน้า ใ่เท่าใดมันก็ไม่รับยังยินจิรัตนังโลกีวิชติวิวธังพุทธุรัตนังพุทธะสมังนัตถิตัดสมาถูดเทภวันตุติรัตนะอันใดในโลกนี้จะเสมอเหมือนพระพุทธเจ้าเป็นไม่มีเลย ยังเกณจิรัตนางโลกิวิชติวิธังพุทุรัตนางธรรมะสมางนัติตัตฉมาโสตทิภวันตุเตรัตนะอันใดในโลกนี้จะเสมอเหมือนพัฒมารัตนะเป็นไม่มีเลยยังเกณฑิรัตนางโลเกวิชติวิธังพุทุรัตนางสร้างขะสมางนัติตัตฉมาโสตทิภวันตุเต นัตนะอันใดในโลกนี้จะเสมอเหมือนภาังขรัตนะเป็นไม่มีเลยเอเตสัจวัตเคนะด้วยเก่าคำสัต์นี้โสดที่เมหวตัวสภาราความสวัสดีจงมีแกเราอยู่ทุกเมื่อเทอนแปลเป็นคำไทยขอความสวัสดีจงมีแกเราเราปฏิเสธวัแล้วเมื่อเราปฏิเสธวัแล้วจะจะไปถือศาสร ต, ตราอื่นมันก็ไม่ถูกนะ ถ้าอยานั้นก็โกหกเก่าของสิน่ะวัติเศธแล้วไม่ถือศาสตาอื่นแล้วไปถืออีกก็โกหกเก่าของเลยศัจจไม่มีวัตตะวันสามกิเลสเกิดขึ้นพาให้ทำกรรมทํากรรมแล้วพาให้ได้รับวิบากของกรรมแล้ว ก, กิเลสก็เกิดขึ้นอกีกแล้วก็พาให้ทํากรรมอกีก แล้วก็รับผลของกรรมอีกวนไปวนมาอยู่ถึงจะมีกรรมก็าตามขอให้เป็นกุศลกรรมเลือกเส้นกรรมอกเลกุศล ก, กรรมจะเป็นทางนําไปสู่มรรคผลนิพพานที่โลกที่เรียกว่าโลกุตรละโลกุตรละกรรมโลกุตรละบุญโลกุตระกรรมโลกุตรละบุ ญ, ก, รรบญก็หมายแต่พระโสดาบันเป็นต้นไป ต่ำกว่านั้นลงมาไม่ต้องพูดมีศินห้าบริบูรณ์ถึงว่าพุทธธรรมประสงแล้วไม่ใช่ได้อย่างรวดเมิดสินห่าพูดเล่นนะบายมุกไม่ใช่พูดถึงพระไตรสนาคมเนอะแต่ว่าไม่บอกเนอะเออพระเล่นก็ไม่ถึงถึงจัปาก ถึงเป็นางข้างวางขาวไม่ไดถึงเป็นเนืองนิดผู้ถึงเตยสนาคมไม่มีกลางวันกลางคืนก็คือพระโถดาบันผู้ยังไม่เว้นเลขเล่นยังไม่เว้นจากอบายวกนะเรียกว่าถึงว่าพูดพระธรรมสงค์เป็นโลกีไม่ใช่โลภุตะไม่ใช่สุปฏิปันโนสุปฏิปันโนเป็นโลภุตระพุทธโลกุตะธรรมโลกุตระสง์ ตังก่อนนั้นลงมาเป็นโลกีถึงจะเรื่อใสายพระพุทธศาสนาเป็นวังข้งางา ว, วังข่าวก่็ตามแต่ก็เป็นโลกีสัตธาเรียกว่าสัตตาโลกีความเชื่อในทางโลกีความเชื่อในทางโลกุณาลก่อนนแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปนั่นกาวมาแล้วซ้ำๆซากๆไม่เสียดายอยากรวงละเมิดสิทธิห้าก็เพราะมันมีเท่านั้นทําไมถึงยืนยันเท่านั้นมันมีเท่านั้นก็ต้องพูดเท่านั้นสินะ เพนพ่อแมอ่คือตักหัตักนี่พื่นอนหงอนเนี่ยหงนอนบ่กเดเอาซักตัดซักนี่เสด็จหงนอนเื็นยังไงหาเสียงไล้เขาบ่กนัน แับถ้าเอาไปจับไฟบมไปหาเสียงอะไรพวกนี้มันจะขึน้นอหอนเน <c oughs> ีเาา่ยเข้าใครเขากินน้ามันเราดื่มน้ําำเราไม่ต้องไปหาเสียงทําไมมันเย็นเราหยิ่งดื่มน้าแข็งเราจับไฟทําไมมันร้อนไม่ไปต้องไปหาเสียง มีผู้ไปหาเสียงให้เข้าเป็นพนระราหัเข้ากับพเอาได้เดียวนี่ตัวเสียว อ, อยู่บอกพวกเอาได้เขา้าตัวพ่ะท่านแมน่นพระราันจะไปเอาจังไรขันเป็นพระราหันแล้ววะหามาันก็ได้อยู่มันแปเมีผู้ไปหาเสียงว่าเข้าเป็นเศรษฐีแต่ว่าเงินเขา่ามียักษตางเขาเสียวบอกพวเอาได้นี่ยพวกบ่าหาเสียงเขาอ่ะ ผีบาดด้วนลพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าเราเพเห็นไปหาเสียงเน่ม่งนพูะได้ตั้งอะไรเพื่อนเนี่ยพระจะเป็นโลดวันเนาะเขาีะตั้งปไนไอก็บพริ่นคือ ล, ล, ล, ล้งหลวงปู่มหมันในผ้าล้างหลวงปู่หมันในผ้าเนาะวา จะตั้งไพรเป็นกรรมาฐานจะตั้งใครเป็นกรรมาฐานตั้งใครเป็นหวัวหน้ากรรมาฐานเออคนหนึงก็พูดขึ้นว่าหลวงปู่มั่นท่านก็ไม่ได้ตั้งท่านเป็นหวัวหน้ากรรมาฐานแต่เขาเขารับนัดถือเข้ามาหาเองันพูดอเราจะตั้งไว้สักเพียงไหนก็ตามเขาไป ม, มาเราก็นั่งอยู่คนเดียวอนะ องหนึ่งก็ตอบขึ้นมาหัวหน้ากรรมฐานคือหัวใจองหนึ่งตอบขึ้นมาใจไปทําฐานไม่ดีใจก็เรียกว่ากรรมฐานไม่ดีใจไปทําฐานดีใจก็เรียกว่ากรรมฐานดีฐานะไปประเทศตั้งตั้งแท่งตั้งไปทางความผิดก็เรียกว่ากรรมฐานผิดตั้งไปทางความดีก็เรียกว่ากรรมฐานดีเพราะกรรมฐาน มันเป็นคำกลางตั้งฐานไปทางดีมันก็ดีตั้งฐานไปทำผิดมันก็ผิดคนนั้นตอบอย่างนั้นก็พอฟังอยู่ทีคนหนึ่งผ่ว่าไปมากทีมัะกะท๊อบกระแตบประเหตุด้วยน้ำปาน้ำเมื่องเขาเห็นเขาถือว่าเป็นที่ซ่อนเป็นที่ซ่อนแหงขโมยเป็นที่ซุ่มซ่อนแหงขโมย คนอย่างเขาขาดคอคนอีกองหนึ่งถ้าอย่างนั้นกระหน่ำและเถียงนาของเขาก็ปลื้มของเขาทิ้งซิคนโจรก็ดีคนทุจริตก็ดีมันไม่อยู่ป่ามันไม่อยู่บ้านมันไม่อยู่เมืองในกรุงเทพก็มีต่างจังหวัดก็มีประเทศนอกก็มีมันอยู่กับหัวใจคน เย็นไม่ผู้ออกไปขาชนาที่หาเขาวะลูกาเขาเสือราบเนื่องหายวะพระพุทธเจ้าย่อมหายได้พระพุทธเจ้าหาได้ผังป่าถนาพระนิพพานปราถนาเป็นพระพุทธเจ้าสําหรับเราไม่ได้ป่าถนาเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ลงทุนมากไม่ได้ถึงกับทานลูกดอก แต่อเ น, นสงส์ของเราก็แข็งเหมือนกันเราด้ทานลูกให้คุณป้าเบี่ยงมากอดคอแม่ตายลรอเก่าทีตายล้วบเอเฮือหากำปั่นตีทังเบ็บเบ็บเบ็บเบบกาไปใช้คืนน่ามาแทะเหอเฮหอเอมัน่ะกำปั่นท่านนี่ตีเอเข้าออกมาบวชว่ามันพ่อปัญญ้เปน็นเรงได้เขาอะ ้องถือว่า้องออกบดประมาทเนี่ยเอาเสีวิตรแรลกเอาห่อนำตาตก๊กืดกินลงทั้งในท่องหมนหากลูกนี่เหมือนเสียกผูกข้อหากเม่นี่เหมือนปอผูกศอกหากวัตถุเขาของเหมือนปอกไสตีน กิเลตันหาสามอเน้มาขีนถูกไว้ในวัตตาสงสารเขาจึงหาของสองกุมานทั้งคููลูกแกวยูก็บตนเป็นท่านแก้ผ้ามาน้าจานผู้เถาอันค้นขวยเต่าเขามาแต่วันว่านนี้แล้วก็พีได้หน้าหน้าจงอนุโมทนาสาธุการสาธะมาหน้าก็เลยอนุโมทนาสาธุการแผ่นดินด่านไว้วันเสียงสนั่นเท่าถึงพมนำหาสมุทรกตีน้องฟ้องฝาด หน้ามาทท่เอ้ยจงซอยเพีสามพที่สมพานก็เพีเถืน่นนไรหนกมือเมียหาลูกยกวัดขึ้นผัว บ, บอกตื่นมาเศร้ามากผัวจังบอกคำู่เห้าขากันตายข้าพวกเขาขี้นงกด <c oughs> นี่บ่แล้วยังเอืน่นผัวยังยังเคารบอยู่ สัมพน้าเนี่ยสํามพน้ำยังหาควอมใส่ศพมามาถามหาลูกลูกขเขานี่ลูกขเขาเนี่ยขยประตูลูกขเขาเนี่ลูกขเขาเนี่ยมาใส่มาสั่นใสอย่างสบายอยู่มันมากเขามาหาคําบังสิหาเรื่องใช่ไหมเสียวคําเขามาในเฮื่อดูรัศมีเดือนดาวดูละดูยาก ดูหลักแท่ดีดีไผยจักหูใจนัางมาที่ก้นก อ, อนยิ่งยาห่อนนั่งเลีนหลากร้ายประกาศแนปลาหิมะผ้าเลี้ยงลักมีทั้งข้นกาและที่พญาทาอดพระเนจรในแ่ปาใหม่เข้าใกล้แล้วก็ขระย่ากาวม่าย้า ก, กระทําขยับตาและเมื่อกควักวาดยิ้มคิ้วฟาดเรื่องนั่นนั่งกระทําการชั้นใดไผยกระบอกมีหูนั่งเรียนสู้ไผกระบอไม่เห็นเป็นชั้นใดดูลากพิษผากเมื่อโบราณ มัททัตเนี่ยจักซักอบามาเปรียกเพี้ยมหน้ามันที่กันเดอร์ราชสีจักนี้จากลอยเพราะว่าลอยนั้นมม่มีคู่หาทำมันมีทําคู้หาป่าจักนี้จากน้าเพราะว่าหน้ามันมันไม่มีต้มมันไม่มีบนหมุนสิทธิสมิจักนี้จากคู่ถือว่าคู่นั่นปัญญาบัตรทอตับุพพ์ที่สอนได้บุพพ์ทีจะเลิกหนุ่เฮืองหนีดอกวางสนอก สิทธ์จากนี้จากคู่เพราะว่าคู่นั่นหาสติปัญญาสอนตนว่าใดนกจากนี้จากตนไม่เพราะว่ตนไม่นั่นผมไม่จริงงาสาขาอันกลัวสร่างจากนี้จากเทือนเพราะว่าเทือนนั่นผมไม่ใหม่ผงราชหงจากนี้จากผัวจากจากษาเพราะว่าสานันผมมีดอกหัวผู้ยิ่งจากนี้จากผัวเพราะว่าผัวนั่นผมมีเขาของอันกลัวมั้งนี่จากมาใดแกนแกนไทยมัธยีไทยน้อ ยังว่าให้กันอีกอข้ามันห่าไข้ากันตายข้าหันมาดิอ่าป้า น, นั่นแหะเพื่อนสางบารมีเป็นพวกพุกทิเจ้าเขาเห่อขันสางมากเลยอ่ะเพื่อนเพื่อนบอกว่าให้เดินเบือเพื่นบ่ฟังอือเ่อนถ้าการเรียนยกไปคิบหายจากของ่ะว่าจะไปคิบหายเพื่นเพื่อ น, นเข่าสูพนิพัาน์อ่ะแต่ท่าก็ผิดแคร์พวกทิเจ้า เพินสิวิตกแค่ยนะังบมูมันเงินเพิ่นเพิ่นบอกก็แห้งเหรอยิบหายไววอดหมูเหาบริสางบารมียากเาะนั่นแหละเพิ่นนีลงทุนลงแห้งมากแต่บอออกปากกบไปจักทะเลทะแต่ออกปากว่ากระซี่อสงไข่เดจังน้องมาเปลี่ยนพระพุทธเจ้าสอนเาราเมตตาหมูเห่หหาไร ในใจโลกธาตุเนี่ยพรเมตตาพระพุทธเจ้าพระกรุณาพระพุทธเจ้าพระสางบาลมิพระพุทธเจ้าในตจโลกธาตุเนี่ยพระพุทธเจ้าจักคนก่อนหนาวาตสตรกษัตริย์ทุกทกพระองค์พระพุทธเจ้าออกบวชมากะหลังตัวเองบวาดนะ ซักเอาเองหาใคก็บอกจักแปลว่าลหน้าลราเนี่ยังล่ะปานนั่นย่างเดียมาสอนเขามู่น่เขาทางอะไรเพิ่งถามมาวัดแล้วมู่เขาบางินมรดกเพิ่นปานนั่นก็ยังบริจาคปฏิวัติอยู่มู่ห่อเพิ่นเฮ็ดไว้ให้วัดละมู่นี่มูนี่ก็ไม่น้องเพิ่นวดนรวเทศเลยม้วนเดี๋ยวเาเพิ่นวัดละมนี่เดี๋ยวเพิ่นเฮ็ดไว้ให้วัดแล้วเนี่ย เราเห็นหน้าคาาซื อ, อนาเขาจังมาเฮ็ดเนี่ยมึงเงินได้มาทุกสตาร์กมาจากของพอื่นหอพระที่หามาจะใส่ อ, อ้น่ขเขาเตะลม็ดแต่พระหามาใสากับมานจากง้มเหมือนตัวน่ะมาจากคุนของคนนั่นอีกหรว่าน่ะเพิ่นเห็ดอะไรเมื่อตัวนี่ยหรเพิ่นเมตตาโตเนี่ยจะไปเห็ดชัวได้หรอจะผัดไปมัว เามฟังเราไม่รายรอเปล่านี่เว้ยหน้าริใจเอานาริใจมาเบิงด้วยนาริใจหน้าริการับน่าริใจกันเดียวกันโง่ไม่เอานี่ยากนี่ เอละมันเดินขยันอันนะั้นหนู่นเดินไ่นขยันที่นี่เอ่อแล้ววานนี้เนาะยะถาวารีวหาปูราบาริภูเรนติสาคารางังเอวามีวัโตทินังเปตานังภกปติยิทีตังปชิตังตุมหงังคีภะเมวัสมิจตุสะเพผูเรนตุสังกบปากันโทพนาลัสโซยะถา มณีชโชทิลโสยยาธาสพีตโ ย, ยวัจันัสสัพ ป, ปะทุขโขสปปพยโยสัพโรโเวินัสตุมาเตปวัตตันทรายโยสุขีตีคายโกพร ะ, ะอาภีวาตนาสีนิสานิจังวทาปิจายนูจัตตาลุธรรมาวัจันติอายุวันูสุขังปะลภาวนาพุทโธเถิภาวนาพุทโธภาวนาพุทโธรับข้าภาวนาพุทโธนะไพคือการบัด รับค่าภาวนาพุทโธเดี๋ยวไปนอนคืนว่าคือควายตูมๆ ต, ต, ตามๆนอนมรับค่าภาวนาจังนอนเป็นเดียวยว่านอนเป็นขันนั่นเพาภาวนาเดียวว่าตายนะครับว่นอนตายนอนบพรเป็นนอนคืนว่าคือควายรับค่าภาวนาหตื่นขึ้นมาหวายพระ ก, กั บ, ก, บ, ก, ก, ก, ก, บกัสามเทื่ยกระดูกสิผูกระบอกสามเชื่อกันยังดีอ็ย่างกระดาษกระดียังดีๆๆก็บวายตัว พุทโธธรมโอทังโคนิพพานั่งคันวายสามเทีหวาเพื่อพระเนี่ย้าเนี่ยย่อเอาจังสันได้อยู่พุทโธธัมโอังโคนิพพานั่งวายเพื่อพระนีผ้าเนี่ใส่ได้อยู่นั่เอเฮ็ดยังไรฮะนี่เฮ็ดยังขี่ว่เฮ็ดขี่วะพุทโธธรมโอังโคเฮ็ดี่เนาะเฮ็ดี่พราะว่าจิตใจมันทรงไปแล้วนี่จิตใจมันทรงไปนี่แงออกมานี่มานี่เ่ไหร บอกที่ซื้อว่าขาดทันได้ได้บุญเงี้ยซึ่งลพระพุทธเจ้าเฮ็ดกระเทือนนะพุทธเจ้าเฮ็ดกระเทือนครับนะพุทธไว้คอยเมียไว้คว้า มัดไตโรกธาในบวชน้ำลายถึงฟ้ามันก็ว่าบถึงวางเลยนะอยากเที่ยวบวดเท่ยวดาบพอเห็นพระพุทมูลเมฆอันเบียดเยียนพระพุทธศาสนาไปบ้กเราทุกคน่ะแม่นบหมตัวเส้นนะเสื้อกำในฝนของกรรมมันไม่ยุ่เนี่ยแม่นไหมคดีดำคดีแดงในโลกในศาลมันมดเป็นหมดอายุปปเป็นฝนของกรรมมดอายุมัเปี่ยนแม่น แน่นอนกำแล้วฝนของกำพระพุทธศาสนาเอามาเลยดิแน่นอนจังศิซื้อรัตีได้ไรกระซังจัิบัรัตบาบุญคุณโทษถือบ่ถือข ย, ยเจ้าฝนของกำเคยนํามเล่มเจ้าอยู่แม่นมอนเขาสาข <c oughs> ั่นเลยพนของกำได้เลยได้แล้วฝ <c oughs> ของกำโบมีเห่อเืองสพระพุทธศาสนาแม่น่นะนน่าฝนามันมีอ ย, ยู่เสียเจ้าท่านเสื้อกำแล้วฝนของกำคือเสื้อพระพุทธศาสนาเนี่ยแน่นอ แม่ทีดเทบบะมันคือกับเนิดโอ้โแล้วสมุยนามยังคนจีนนามอ่ะยลุงมบอสบายู่ลุงหม้อชุบกนะผมทุเรี่หมดที่ว่ว้ว่างเมียน นัสือกเกตเส้นใตมีพระพุทธพระทัมพระสงฆ์ย่องอยู่บนหัวจึงมาผมทุรีหมดที่ไหว้วางเมียนเพราะมันจะพาไปสวรรค์นเนี่ยพระพุทธประทัมพระสงฆ์ม่ย่องบนบนหัวใจคุณพยกตะเก่าถนอมไหวสูยง้ามน้มามคืนคืนกลองฝ่าละเง า, ละ ง, าละง่วงฝน ้ะดูพีถึงทายมาเตียมตังนะพวกโบราณภาษาโบราณโบ๊แตมกินตะกุ้ีเก่งสุดเลยเทิงคิตเทิงไก่อเรื่องลุงก่วงลุงร่างล้านนานตายไพรอมระว่างคันทีถันนี่ทั้งมาอาข้าได้แขนหิงคนนังปอนปัญญาคู่ตัวเัน <c oughs> ขับบวกเสาห้องเจ้าขําตันทั้งแทงหยอดโซฟาที่ราบใส่แก้วน้วยนิ่งเะิ้งกิดเทิ้งใจจะขับบัราำหนอเออเออเนียเ่ยมันจะใจกันแบบเนี้ดเท่าไหร่เนี่ยเราแต่พวกก็ได้เงินไม่กี่พยายามพอดีเรื่องยิงว่ะสมัยตะกอนสมัตะกอนพยายามเรืองอะไเที่ยวปิ โอ้ยเลวอยูวิ่งเยอะมากวิ่งถุกถากไปอนก็อดยาด้วยคจพมนมันแสมากินยายาสุขมข้อหักหมูพอกินห้มยาตีดังห้มันเวอุกคนพูดเลียบใส่พระพุทธศาสนาจาะไปคมข้อเขาเขาโมยแบบมันกรซอมกระ่นเนี่ยแม่บ่ เข้ามหาความชุกในโลกตัวมันกับไกมาครับลูกกัมเนียครับมาจากคนจันทร์แมวมากัดมันปูเคยมากบ่บ่ครับเคยมากก็เคื่อทำทาสักสิห้าวันมั่มันมากบ่ื้อมันหลงบ่ก็โดหลงครับนอ้โหงูตายแค่นอนังซือกัมีอยู่นี่ คือคนบอก่านว่าโบราณไยเขามุกดาหากุบุญของบคิดว wow, like <án> <Princeton> ่าคไม่ต้งชอีไนครับเรา่บอกว่าปเทศไทยท่ทาเรื่องการดูดของตลาดก็จะที่ป็นกเรืองของการ้อยุโนี่ตเาซื้อสงปันะบนข้างนี้ใหมละครับใช่ไหมก่คบางใ่มี อยู่เมือุมางอยู่มองลุางมองันอุ้ยเราก็พูดเฮ็ดแต่ท่านเนาะที่่างมึงกับปทจะไปยังหร้อมึงมึงกับประเทศด้ไปยังหรือมึง เท่าไรัะยูวันูคะูนพูบอกว่ามันวันต้องสูงหน่อยลุงวันพู๋จะแม่ค่ะเบอกว่าจะลาชนีเออเอ๊ะแต่ขาแเห็นน่ยไอ้พี่ยิ่งวยนะ้สักกิโลหะอย่างนี้ก็จะลงไปเรื่อยๆอันชระเพเห็นด้วยเนี่ยพ้าเอาไปฟังกันบ้าเน็ตวะตกอังมานี่ เป็นเมากเป็นเอาดีอเอาดีๆเอาดีๆพวกผู้หลงผ่านยี่สิบเจ้าบ้านอันยูนองซูมันก็มีเจ้าบามันเล่งไม่เปียวอยู่นี่วันแรกไอ้คนมาเป็นใจใจม้โอ้ที่บนหนาจะโรคบาลน้องนอกจากพระพุทธศาสนาว่าทรงต่อส uh um> um> anyway> ัตว์ทั <h <h <h <h ้งหลายจะหาคนสุกได้เท่าที่ควร ซุกในทั้งโลกกี่กระถอกก็ม่วซุกซุกในเครือฮัตสุกเกิดแต่ความไม่ทับสุกเกิดแตจายซรัพ บ, บริโภคและพอสมควรซุกเกิดจะ่ว่าเป็นนิเป็นศีลผู้ใดก็ซุกสมควรซุกเกิดแต่ทํางานที่ปฏิจจคตโทษสุเกเครือฮัด ประโยชน์ในปัจจุบันอุ ธ, ธิานะสมถะถึงพร้อมเนื่อความมัน่นในการประกอบจิตเครื่องเร้ยังชีวิตก็ดีในการทำธุระหน้าที่ของตนก็ดีในการศึกษาเราเรียนก็ดีอารักษาสมถะถึงพร้อมหนื่อการรักษาคือรักษาทรัพย แสวงหามาได้ร่วยความหมั่นไม่เป็นอันตรายก็ดีรักษาการงานของตัวไม่เสื่อมเสียไปก็ดีกรัะรยาณมิตรตาคนผู้มีแอล้งงาน ม, ม่ครบคนชั่วสมาชิวิตตาความเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบนี่ประโยชน์ปัจจุบันสอย่างประโยชน์ไพ่หนาหนึ่งศรัทธาธรรมชาทงพข้อมด้วยศรัทธาเชื่อว่าทำดีไดดีทั้งชัวช่วแลชั่วเป็นต้นสองเสีธรรมชาทุก้อมด้วยศีล รักษากายวยาจาให้เรียบหน่อยยีมีโทษสามจากฆาสมรสายถึงพ่อในการบริจาคทานเป็นการเฉลียสุขให้แก่ผู้อื่นสี่ปัญญาถึงพ่อันปัญญาผู้ศักบาบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ต้นต้นประโยชน์ไม่ไพ่หรอมนุษย์แบ่งออกเป็นสองะนาะมนุษย์เทวเนมนุษ ยิตใจเป็นแค่เวลามีท่านมีสีมีข้วหน้ามนุษย์สเปโตมนุษย์จีราชาโน่ก็มับวกกันกันเอมีข้อหมายอันเดียวกันมีเรยกว่ามนุษย์ไปทัพิษมีข้อประพฤตคือเพตศือสัตย์จีราชาโน่มนุษัพปลโตมนุษย์ส ยกระชน้นูเอ้าอะไอ่ะามมห้ฉันทำหมูปเปเ็นเป็นปเกมาแล้วาจัคมมากจคมน เคอยู่กัระจากรสมานสามานแข็งทวัดธําบูชาปครับผมไปดวัดปฏิธรรมวัดป่าสามาอไดวอะไไปไม่กา ป, ปวันที่สองส ม, มากเลยน่ระเอกมหาสมา น, นมากป๋ออาสามานบ่อยมากาป มื่ยย่านบอกมอตัวไปแหงแล้วอเ่ินเขาเขาขาพระไส่มันนาย่าง แ, แล้วนีพิเศษที่มันเกิดขึ้นต่วายุ่ปกติก่ะสะดวกสบายดีอยู่ ชีวิตตามะสีสีโอหังตัวไหนนะบอกต้าโทษของจักทำแต่ละวันระบาดทรงต่อพนิพานธมัดอ้ามันขืนยกับจิดใจของบุคคลภูสามบรมินทเสียสามมาแล้วมันนอมถึงพันิพานธุ์ฤ ภูมิาเ็มันแก่ปา ม, มากคำสอนเจ้ระเบิดระบาดให้นั่งทานังองค์กนกงางกิดป่านกงางกิดป่านกงางกิดปลาก็ยังสาเร็จพรหัน เ, เน่ยแ <c> น <oughs> ่บอกองค์นะโชนะนางละชังหารตินะโชนะนางละชังหารติอร่านก็สามารถแตกสานเนี่ยปฏิสมงหารที่พอเหตุได้พาอเหตุรรบปฏิพฤท่าของสันปฏิบัติมาโดยสารคอนแข็แงแกร่งแล้ว ฉะนั้นจึงว่าทํามจริระาบาดชงต่อภนิพานวดมันข้นยกกับยึดกับใจของคนนั้นจะโอนไปยกระท่าหอนนอโมพระสวัสดวันเป็นนโมอุตตบาลหลวงท่าละสักยะทิ่ผีวิจิตช้าได้